มีฤทธิ์มีเดชเป็นได้แค่ผู้วิเศษหมดกิเลสจึงเป็นพระอรหันต์หลักการที่สองคืออะไรในยุคพุทธกาลนั้นคนเขาเชื่อว่าพระอรหันต์คือผู้วิเศษผู้วิเศษคือผู้มีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์ดลบันดาลทำอะไรต่างๆได้แปลกๆเ อ, อเอ่ยเดินอากาศได้มีหูทิพตาทิพ เพราะฉะนั้นเขาจะวัดกันว่าใครเป็นพระอระหันต์ก็ต้องมีฤทธิ์จำพวกนี้จะเห็นได้ ว, ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆเสด็จออกประกาศพระศาสนาจะเข้าไปประดิษฐานพระพุทธศาสนาในเมืองราชคฤห์ก็ทรงพิจารณาว่าจะต้องไปโปรดฉดินสามพี่น้องก่อนเพราะว่าชดินสามพี่น้องนั้นเป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองราชคฤห์เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไป ฉดินที่พบก่อนก็คืออุรุเวลักษัปปะซึ่งถือเอาอิทธิปาทิหารเป็นเครื่องวัดว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีอิทธิปาทิหารก็ไม่เป็นพระอรหันต์ตอนแรกท่านอุรุเวลักษัปปะจึงคิดว่าพระพุทธเจ้าที่เสด็จมานี่ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราเพราะเรามีฤทธ จนกระทั่งเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงให้เห็นว่าพระองค์มีฤทธิ์มีอิทธิปาฏิหาริ์เหนือกว่าชะดินเหล่านั้นชะดินจึงยอมรับแล้วก็ยอมฟังธรรมตลอดมายาวนานเราจะเห็นเหตุการณ์ปรากฏอยู่เสมอว่าคนอินเดียนั้นถือเอาอิทธิปาฏิหาริ์เป็นเกณฑ์ตัดสินความเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาพระองค์จึงต้องทรงใช้อิทธิปาฏิหาริ์ เพื่อปราบอิทธิปาฏิหารย์บ่อยๆพระองค์ได้ตรัสหลักการในเรื่องนี้ว่าปาฏิหาริย์มีสมอย่างคือ 1. อิทธิปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คือการแสดงฤทธิ์ได้ 2. องอธิษาปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คือการดักใจการทายใจรู้ความคิดของผู้อื่นได้ 3. อนุสาสนีปาฏิหาริย์ ปาฏิหารคือคำสอนที่ให้เกิดปัญญารู้เห็นความจริงแล้วก็ตรัสว่าพระองค์ทรงรังเกยียจอิทธิปาฏิหารทรงรังเกยียจอาเทศนาปาฏิหารทรงสัเสริมแต่อนุสาสนีปาฏิหารเท่านั้นนี่คือหลักการของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าแม้จะทรงมีอิทธิปาฏิหารก็จะทรงใช้ฤทธิ์เมื่อทรงปราบฤทธิ์ เรียกง่ายๆว่าใช้ฤทธิ์ปราบฤทธิ์เมื่อใช้ฤทธิ์ปราบฤทธิ์เสร็จแล้วพระองค์ก็ไม่ใช่ฤทธิ์อีกเลยขยายความว่าพระพุทธเจ้าทรงใช้ฤทธิ์เพื่อให้เขายอมฟังธรรมะเมื่อเขายอมแล้วต่อจากนั้นพระองค์ก็จะทรงแสดงแต่ธรรมะต่อไปเช่นทรงใช้ฤทธิ์ปราบชดินสามพี่น้องพอปราบเสร็จแล้วเขายอมฟังพระองค์ก็เลิกใช้ฤทธิ์ ต่อจากนั้นก็ทรงสแสดงธรรมสอนให้ชาดินเกิดปัญญารู้ความจรงิงจนบรรลุธรรมสูงสุดด้วยตนเองขอให้สังเกตว่าพระพุทธเจ้าทั้งที่ทรงมีอิทธิปาฏิหาริมากเก่งกว่าผู้วิเศษทั้งหลายทรงปราบชาดินและเทพรมยักษ์ที่ริษกล้าได้หมดแต่พระองค์ไม่เคยยอมให้ชาวพุทธคนไหนไปหวางพึ่งริของพระองค์ไม่ทรงดนบันดาลสิ่งปรารถนาให้แกสาวกคนใด ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นจะต้องมีเหตุผลในเรื่องนี้เหตุใดพระพุทธเจ้าจึงท่งรังเกยียรอิทิปาิหารและทรงรังเกยียรอาเทศนาปาติหารคิดดูง่ายๆถ้าพระพุทธเจ้าส่งใช้อิทิปาติหารคนทั้งหลายก็จะชื่นชมความเก่งกล้าสามารถของพระองค์ซึ่งเขาเองทำอย่างนั้นไม่ได้เมื่อเขาทำไม่ได้เขาก็ต้องพึ่งพาอาศัยขึ้นต่อพระองค์เรื่อยไป เมื่อเขาคอยรอพึ่งพาอาศัยเขาก็ปล่อยเวลาเสียไปไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำและโดยเฉพาะที่สำคัญคือไม่ได้พัฒนาตนเองเวลาผ่านไปเคยเป็นอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นนอกจากนั้นเขาไม่สามารถรู้ว่าฤทธนั้นเกิดได้อย่างไรท่านผู้นั้นทำฤทธได้อย่างไรเขาก็อยู่กับความหลงเรื่อยไปและจึงเป็นทางของการหลอกลวง คนอื่นที่เป็นนักเล่นกลก็ได้ช่องตรงนี้ควรสังเกตด้วยว่าคนจํานวนมากที่เข้ามาทางนี้จะมีสติฉูกใจฉุกคิดน้อยลงน้อยลงเมื่อเพลินหมกมุ่นไปก็ยิ่งไม่ใช้ปัญญาเห็นแปลกแปลกแปลงแปล ง, ปลงดูน่าอัศจรรย์ก็เชื่อก็นับถือก็ตื่นกันไปพร้อมกันนั้นก็ยิ่งโน้มไปในทางที่จะสร้างนิสัยเห็นแก่ง่ายไม่ใช้ปัญญาแก้ปัญหา ขาดความคิดวิจัยถูกหลอกลวงและลุ่มหลงได้ง่ายเมื่อเป็นกันอย่างนี้ทางบุคคลและสังคมก็ยิ่งหมกจมไม่พัฒนาพระพุทธเจ้าสอนคนให้พึ่งตนได้ให้เขาพัฒนาตนเองจนเป็นอิสระไม่ต้องขึ้นต่อพระองค์คนที่ชอบอิทธิปฏิหารจะต้องมาขึ้นกับผู้สแสดงริดเรื่อยไปไม่รู้จักพึ่งพาตนเอง ไม่พัฒนาไม่เป็นอิสระแต่ถ้าใช้อนุศาสนีปฏิหารก็ทำให้เขาเกิดปัญญารู้เห็นความจริงด้วยตนเองและทำสิ่งนั้นนั้นได้ด้วยตัวเขาเองและเขาก็เป็นอิสระเขาพึ่งตนเองได้แม้แต่ถ้าใครชอบอิทิปาฏิหารพระพุทธศาสนาก็สอนให้เขาทำอิทิปาฏิหารนั้นให้ได้ด้วยตนเองไม่ใช่ไปหวังพึ่งอิทิปาฏิหารของคนอื่น อย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าทรงต้องการให้คนมีปัญญาเห็นความจริงอิทธิปาฏิหารไม่เป็นเครื่องหมายที่จะวัดความเป็นพระอาหารหันต์คนที่มีอิทธิปาฏิหารเรียกได้แค่ว่าเป็นผู้วิเศษความเป็นผู้วิเศษไม่ทําให้เกิดปัญญารู้ธรรมะไม่ทําให้หมดกิเลสหรือหมดความทุกข์ได้อันมาดูสภาพในเมืองไทยปัจจุบันนี้ เรากำลังจะเอาเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์หรือความเป็นผู้วิเศษมาเป็นเครื่องวัดความเป็นพระอริยะไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงเป็นสภาพที่จะต้องมาตรวจสอบทบทวนกันตามหลักการที่สอง